ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาตมหาเวทลสูตรพระสูนีเป็นการสอบถามหรือเป็นการถามปัญหาของท่านผู้มีปัญญานะผู้ถามนั้นเป็นเอตทัคคะด้านปฏิสัมพิทายานส่วนผู้ตอบนั้นเป็นอัคระสาวกเนีนะเป็นสาวกองค์ที่หนึ่งที่มีปัญญามากดังนั้นคำถามเนี่ยนะบางทีเนี่ย ถ้าธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยยากที่เข้าใจแม้กระทั่งว่าท่านถามอะไรเนี่ยนะคือถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าท่านถามอะไรเนี่ยสิ่งที่ท่านตอบบางทีก็อาจจะพอจะเข้าใจได้เยอะเพราะอย่าลืมว่าผู้ที่มีปัญญามากผู้ที่มีปัญญาด้วยกันเนี่ ย, ยจึงจะพอจะเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเราฝักฝ่ายที่จะเรียนรู้ปัญหาของท่านทั้งหลายเหล่านี้เราก็เชื่อว่าเป็นผู้ที่ฝักฝ่ายในเรื่องของปัญญาเนี่ยนะ เพราะว่าตัวปัญญานี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทําที่สุดแห่งทุกได้ในข้อ498หน้า282เนี่ยน ะ, ะถ้าทบทวนปัญหาทั้ง13ปัญหาที่พระมหากดิตะถามเนี่ยนะนับตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงสุดท้ายเนี่ยก็จบที่อรหัตผลเนี่ยนะจากคำถามคำตอบนั้นถามเบื้องต้นแต่ว่าคนมีปัญญา คนไม่มีปัญญาเป็นอย่างไรคนมีปัญญาคืออะไรคนไม่มีปัญญาก็คือคนที่ไม่รู้อริยสัจคนไม่เห็นอริยสัจเรียกว่าคนไม่มีปัญญาคนมีปัญญาก็คือคนที่เห็นอริยสัจนะทีนี้อการที่จะเห็นอริยสัจนั้นเห็นด้วยอะไรเบื้องต้นโลกิยะปัญญาก็คือวิปัสนาญาทั้งหลายาเพราะนั้นเบื้องต้นของคนที่จะเห็นอริยสัจนั้นจะต้องเจริญวิปัสนาปัญญา หรือว่าวิปัสนาวิญญาณก็ได้เนี่ยนะเจริญวิปัสนาตรงนี้ในสูตรนี้ยกตัวอย่างเวทนานุปัสนาเนี่ยนะรู้แจ้งในสุขเวทนารู้แจ้งในทุกรู้แจ้งในทุก ข, กขามสุ ข, ขเวทนานท่านบอกว่าวิญญาณกับปัญญานั้นเป็นของที่คละคล้ากันไปแยกจากกันไม่ได้แต่ว่าความต่างกันก็มีนิดเดียวว่าวิปัสนาปัญญาเนี่ยหรือปัญญานั้นเป็นภาเวตปรธรรม เป็นธรรมที่ต้องเจริญส่วนวิญญาณ น, นั้นเป็นปริญญาธรรมที่ต้องเข้าไปกำหนดรอบรู้ส่วนที่เหลือก็มาสอบถามถึงเรื่องลักษณะของเวทนาลักษณะของสัญญาแล้วก็ลักษณะของอนะรวมกันทั้งเวทนาสัญญาและวิญญาณว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรพระในอารมณ์เดียวกันนั้นไม่มีผู้ใดาสามารถทาให้แตกต่างได้นี่ก็เป็นคาถาม คำตอบเกี่ยวกับลักษณะของวิปัสสนาทั้งหมดเนี่ยนะลักษณะของวิปัสสนาทั้งหลายทีนี้ย้อนกลับมาผู้ที่เข้าเจริญักสมถะทั้งหลายเนี่ยถ้าเจริญสมถะจนข่มพ้นจากทวารห้าพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรต่อไปก็หมายถึงอรูปปัจานทั้งหลายเพราะว่าคำถามในข้อ 9, เ9 5่อเนี่ยนะ เป็นคำถามทั้งที่ทเป็นสมถะและวิปัสนาสมถะทั้งหลายนั้นหมายถึงรูปประฌานมันคําถามใน4ี่ข้อ496นั้นจึงเป็นคําถามที่ระดับสูงขึ้นไปอีกคือถามเกี่ยวกับอรูปประฌานทั้งหลายอย่างนี้เสร็จแล้วก็เป็นคําถามที่เกี่ยวกับว่าปัญญาเนี่ยถ้าเจริญแล้วมีประโยชน์อะไรนะนะสำคัญเนี่ยทุกคนปรารถนาขอให้มีปัญญา มีปัญญานี่มีไว้ทําไมบอกว่ามีเพื่อการรู้ยิ่งมีเพื่อการกําหนดรอบรู้และมีเพื่อการละกิเลส ท, ทั้งหลายเพราะตัวปัญญานั่นแหละเป็นธรรมที่ต้องเจริญเนี่ยนะเป็นธรรมที่ต้องอบรมทําให้มีขึ้นปัญญาถ้าเป็นเสขะปัญญาเนี่ยเป็นภาเวตปญญาปธรรมเป็นธรรมที่ต้องเจริญขึ้นถ้าเป็นอเสขะปัญญาปัญญาของผ้าอรหันต์ทั้งหลายเป็นสัชิกาตาปธรรมเป็นธรรมที่ จเจริญเสร็จแล้วเป็นธรรมที่ควรถามให้แจ้งไงนะนี่คำถามว่าปัญญาเนี่ยดีเหลือเกินมีแล้วก็เพื่อะรู้ยิ่งเพื่อกาหนดรอบรู้เพื่อละแล้วปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญญามีอะไรบอกว่ามีสองอย่างปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็คือการฟังธรรมประตโตโคละการฟังธรรมแล้วก็อย่างที่สองปัจจัยภายในก็คือโยนิสโสมนัสิการ ทีนี้ปัญญาถ้าเจริญให้บริบูรณ์แล้วนํามาซึ่งอะไรบอกว่านํามาซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์หมายคือว่าตัวปัญญาเนี่ยนะถ้าเจริญได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ถูกต้องก็นํามาซึ่งอรหัตผลทีนี้ทํายังไงจ ะ, ะปัจจัยอะไรมาเกื้อกูลให้มีปัญญาแล้วจะได้สําเร็จอรหัตผลท่านบอกว่าปัจจัยหประการที่จะทําให้เกิดปัญญาทําให้แจ้งอรหัตผลปัจจัยทั้งห้านั้นก็คือศีล อนสีนก็คือจตุ ป, ปาริสุทธีศสีนอย่างที่หนึ่งซองก็การฟังธรรมที่เป็นส ป, ปายะอย่างที่สามก็การสนทนาธรรมอย่างที่สี่ก็คือสมถะหรือสมาบัติ8ที่เป็นบาทของวิปัสนาอย่างที่ห้าก็คือวิปัสนาหมายถึงอนุ ป, ปัสนาทั้ง7ประการถ้าหากว่าประกอบไปด้วยศีลสุตะการสนทนาสมถะและวิปัสนาถ้ามีปัจจัยองค์ประกอบพร้อมทั้ง5้าประการนี้ อันนะ้ก็สำเร็จอรหัตตะผลนี้ก็สำเร็จเป็นพระอรหรันต์ันคําถามคําตอบทั้ง13ามคําถาม13คําตอบที่กล่าวมาแล้วก็กล่าวถึงเบื้องต้นท่ามกลางแล้วที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปแล้วทีนี้ก็เป็นคําถามของอะระดับสูงต่อไปเป็นการถามเกี่ยวกับ ว, วัตฏะและวิวัตะอนะเป็นคําถามที่เป็นบาทของการเข้านิโรธสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะ ในข้อ498เนี่ยนะทวนในหน้า282พระมหาโกธิตะผู้มีผู้เป็นเอตัคขะด้านปฏิสัมพิธาปัญญาท่านถามว่าพบมีเท่าไหร่ครับอ่บางนั้นะคือพเนี่ยภาวะพพเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงวิบากกับกรรมมชรูปที่มีในภพภูมิต่างๆถ้าพูดแบบย่นย่อทั้งหมดมีเท่าไหร่ภาษาริบบทก็บอกว่าพบมีสามอย่างสามอย่างเหล่านี้ก็คือการ ม, มาภพ รูปประพบและรูปประพบเนี่ยนะวัตตะในภูมิสามเนี่ยนะในภูมิสามก็แบ่งออกเป็นการมาพบรูปประพบและรูปประพบการมาพบนี่ขอบเขตแค่ไหนการมาพบก็ขอบเขตตั้งแต่อเวจีเป็นเบื้องล่างแล้วก็ปารณิมมิตา ว, วัสวัตดีเป็นเบื้องบนส่วนรูปประพบละ่ะพรหมปริสัชชาจนถึงอกนิฐาถ้ า, ารูปประพบอากาสาจนถึงเนวสัญญาณสัญญาญตนะ นี่เขาเรียกว่าภพสามนนะคําว่าภพนั้นหมายถึงวิบากกับกรรมมรรคที่เป็นไปในภพสามเนี่ยนะถ้าพูดภพสามแป๊บกําเนิดสี่ก็ชื่อว่าพูดแล้วคติห้าวิญญาณทิติเจดสัตตาวาสเก้าก็ชื่อว่ากล่าวแล้วทีนี้การที่กล่าวถึงภพสามก็เท่ากับกล่าวว่าวัตตะเนี่ยนะพราะขึ้นชื่อว่าภพสามก็เกลือกเกลือกกล้วเจือปนไปด้วยชาติชราและมรณะนั่นเอง ทีนี้คำถามว่าเมื่อพบสามเนี่ยนะที่เจือปนไปด้วยชาราและมรณะเนี่ยแล้วมันเกิดได้ยังไงพบเหล่านี้มันเกิดได้ยังไงการเกิดขึ้นในพบใหม่ต่อไปจะมีได้อย่างไรภาษาดีบทก็ตอบว่าสําหรับพวกสัตว์ที่ยังมีอวิชาเป็นเครื่องกลางกางั้นมีตันหาเป็นสังโยชน์นะความไม่รู้กลางกั้นก็คืออวิชาเป็นนิวรมีตันหาเป็นสังโยชน ผูกเอาไว้ถ้าหากว่ายังมีอวิชากับตันหาอย่างนี้ก็ยังมีความเพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นอุโสแบบนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปก็บอกว่าวิธีสร้างภพสร้างชาติไม่ยากว่างั้น่ะเพลิดเพลินยิ่งนัดในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะตัตตราตัตระพี่นันที่นีเนี่ยนะก็เพลิดเพลินให้มากๆความเพลิดเพลินในภพนั่นแหละเป็นเหตุสร้างภพ ความเพลิดเพลินในกา ร, รเป็นเหตุสร้างกา ร, รมาพบความเพลิดเพลินในรูปฌป า, า, า, า, ปปานเป็นเหตุสร้างรูปประพบความเพลิดเพลินในอรูปฌานเป็นเหตุสร้างอรูประพบเพราะความเพลิดเพลินนี่แหละเป็นตัวสร้างพบนะเพราะอวิชชาเกิดนั่นแหละพบจึงเกิดแต่ทีนี้ตันหาอวิชชานี่จะปกปิดในเฉพาะสิ่งที่ตัญหาชอบเพราะตันหาเกิดนั่นแหละพบจึงเกิดเมื่อมีอวิชชากับตันหาแล้วเนี่ยนะ อย่างว่าถ้าตัณหาเพลิดเพลินในการมาพบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นไปเกี่ยวกับการมาพบถ้าเพลิดเพลินในอรูปประพบล่ะแล้วก็ไปถ้าเพลิดเพลินในรูปประพบพวกนี้ก็จะน้อมไปเพื่อเจริญฌานานะเจริญรูปฌานทั้งหลายถ้าเพลิดเพลินในอรูปประพบ พวกนี้ก็จะน้อมไปเพื่อเจริญอรูปประชานเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยนะอะวิชากับภาวะตันหาอวิชาที่เป็นนิวรณ์เนี่ยนะอะวิชานี่เป็นนิวร์ภวะตันหาเป็นสังโยชน์ทั้งนิวรณ์และสังโยชน์นี่แหละเป็นเหตุให้ทำกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเนี่ยนะกรรมทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุให้เกิดในภพสามคำถามอันนี้เท่ากับถามอะไร ถามวัตตะในภูมิสามเนี่ยนะเป็นการถามวัตตะอย่างเรียบร้อยแล้วว่าวัตตะเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดในวัตตะเป็นอย่างไรเป็นการพูดแบบย่อยๆก็คือปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจะยาวิญญาณังเป็นต้นนั่นแหละโดยที่กล่าวว่าภพสามกับวิธีสร้างภพสามหรือเหตุให้เกิดภพสาม ภพสามกับวิธีทำให้เกิดในภพสามนั่นแหละคือปฏิจจสมุปบาทสายสมุทัยวาระหรือสมุทัยวาระในอัตถกาธาน่าส้สิบสาสิบเอนี่ยนะหน้าส1 0สิก็ย่อหน้าข้างล่างบอกว่าข้าพเจ้าจะขอถามความสืบต่อถึงรากเง่าของคนโง่ที่ไม่สามารถจะพ้นจากภพอันน้นว่าคนข่าวทั้งหลายที่เขา มูลรากที่เขาติดข้องเยื่อใยอะไรอยู่ในวัตตะนั่นแหละทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่แล้วว่าวัตตะมันเจือปนไปด้วยความทุกข์เนี่ยนะ